เร า, าจะเทีย่ยบเป็นคนละโลกแล้วนั่นจะอยู่ในขันขันจะเป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นเขาถ้าจะเที่ยวไปมุดพวกนั่นก็เป็นอันหนึ่งเสียแต่จว่าว่าโลกหนึ่งผมมันขัดต่อนธรรมชาตินี่มันพูดไม่ออกก็บอกได้แต่ว่ารู้นะรูกก้รู้เสียโลกก็โลกเสียมันมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยเลย จงที่เท่ะกับทีนี้ดินน้ำลมไฟนั่ง น, น้าอาศัยอันนี้อยู่เฉยเมื่ออาศัยแล้วมันจำเป็นอย่างนจนกัยกแนไวอะอ่านั้นแะแต่พังที่ไม่หลังเอาอะไรจากกันแหะค<ช>ุณมันก็อาศัยกันไปพอถึงวันเรื่องหนี้ทัดพาราบิระป็นจักรันทานจอมยุ่งไร้ยิ่งจะต้องรับผิดชอบมันพาเดินพาเดินพ า, น, พ า, พา น, อนอนพากลับพาต า, า, า, า, าก็ะดิบทิ้แรงประไลรั้วเนี้ยจะทาเพื่อขันทั้งนั้นไม่ทาเพื่อกิ เพริตไม่มีอะไรที่จะทําเพื่อมันแล้วแต่จะพูดให้มันเต็มไม่เต็มหนือห่อยคือพอตัวแล้วที่จะทําอะไรให้เสริมอีกไม่ได้ไเท่านั้นก็ยังอยู่ที่จะอยู่ครองขันอยู่มันก็พอตัวไปแล้วกจะเอาอะไรไปอีกคือหาบุคล้องที่ไหนอีกโดยบกคล้องที่ไหนเมื่อปัจจุบันก็บูญจนที่แล้วอนาคตอดีตมันใกลแต่หลับปัจจุบันทั้งนั้นแหะ มาช่อยมาพูดปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของมีเสศษกับสิ่งยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมแต่เห็นนั่นจะดีเห็นนี้จะดีมันเป็นเครื่องหลอกนะทําปิตใจให้อ่อน่อความเพียรก็ด้อยผลทีเ่เกิดขึ้นจากความเพียรก็มีน้อยน้อยทุ่มลงไปทุ่มเงินไปอยา่าหวังเพึ่องอะไรนอกแต่ธรรมเลยอยนะ่างนั้นแหละเต็มไม่เต็ ม, ตม เาอยาได้ยินในทางบุญเื่อานาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เงี้ยเหมือนเขาเรียกเหมือนเจียวตายยวนตายเหรอนนตายเป็นไที่เงีนใครจะไปร้องไห้เจียมกว่็ยวนร้องห้ยิ่กวาเด็กเงี้ยเหมือนเจียวตายยวนตายเหมือนเงี้ยยวนตาย เปนของละเอียดมากแมก้จะมีสิ่งพบคุม่มีสิ่งบังคับเหยียดจันหาครอบหัวอยู่มั้ยังคล้องแค่คล้องตัวอยู่ยแฟนนี้ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล้องยิ่กว่าจิตไมทมีทงไปเวลามาัานจิตมินเสร็จได้งานนี้งานสํเสสาเร็จจะขึ้นไปสวยกาไรผลกำไรไปเลย ไม่มีการสถานที่อย่างนี้พบไม่มีข่ามใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งอยู่รุ่นเวลาเหมือนแต่ก่อนไปนิพพานไปนิพพานนี่เป็นปัญหาแเราขอให้จุดใจตรงนี้บริสิ์อย่างเดียวกันพอพอทุกสิ่งทุกอย่างไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานนิพพานมีคทุรู้อยู่นตัวรู้อย่างนั้นหรือไม่หรือว่าหรือว่ามีอะไรมันไม่มีปัญหาแล้วอันนี้พูดเรื่องความดนเดาตัวความสงสัยรุ่นจริงล้ว ดังที่เกี่ยงนั่นบรรดาท่านพูดขึ้นใจที่เลวแล้วท่านรู้ผลนิพพานอย่างเต่มใจเลยแต่คนคิดเกลียดตั้งนั้นนี่น่ะมันก็ยังนั่งนั่งจริงๆไม่เห็นผิดอะไรตังง้งแค่นั้นี่คือผิดโลกสมุชื่อเพราะฉะ้นรับทานอิ่มเต็มที่แลไปตั้งชื่ออะไรอิ่มก็รู้อยู่แล้วอิมเต็มที่แล้เท่านั้นน่ะต่ตั้งไม่เจริญเวลาเลยตั้งชื่ออิ่มนี่ลักษณะงี้อินมนี่ลักษณะนี้ลักษณะกว้างแค่ไห นั่นก็กว้างกว่ายาวานาคือในเนื่อในวงความอิม่มอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วชั้นทางร่างกายนี่จิตก็อิ่มทั่วจิตบริสุททั่วถึงในจิตตรงนั้นประธานเลยร่างเข็มแข็งอย่า อ, อ่อนยา ต่อไปนี้แต่พระวงศ์กรรมฐานจะหมดกันนะข้อยกุดค้อด่วนเข้ามาข้อด่วนเข้ามาพระจิตใจผู้ปฏิบัติชั่งเอ็นเอ ง, งไปสู่โลกได้เห็นโลกกลายเป็นของดียิ่งกว่าธรรมอืมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่ออาจจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะหาความขังไว้เะซึ่งนอกเลือนอกลอยของหลักธรรมหลักนิมิตที่โระคุณสอนไว้ก็เป็นอย่างนั้นนี่อืม มนนังขังผู้นี้ขังทังนี้เลยในจิตมันไม่ได้ขังทําจิตทำไมขังมันเถื่อยู่ไหนตัวบาลคนนับถือไหมนับถือมันก็ไม่ไม่เอื้องไม่หิวไม่โหยเขานับถือก็เป็นอภิมูลของใจเขานส่เป็นที่อภิมูลหองใจเขาว่าทำมีจิตเยี่ยนก็เป็นอภปมูลของใจเขาต่างหากไม่ได้เป็นที่เราเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่เป็น ปรุงเรื่องหรือเขามาว่าให้เราอย่งนีนี้แล้วแล้วก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับแใ่เราเหมือนเรรับทาบกระสับกระับรับทราบรับทราบแล้วผ่านไปผ่านไปไม่เท่านั้นหรนับถืออะไเจ้าของไม่นับถือเจ้าของยัยคนอื่นมานับถือเจ้าของไม่ย่อมย่อมเจ้าของยัยคนอื่นมาย่อมย่อมมันมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดียัยคนอื่นก็มาชมว่าเจ้าของดี เป็นไปได้นะผมจะสอนลงที่จุดนี้ทําเจ้าของอหดีเืิอชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาพความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นลําดับลำดาจะถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่ไม่เอาความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธ์ความครั้งมาจากอะไรภายนอกภายนางที่ไห น, นไม่เหม็นทำหลักธรรม บ, บวนแล้วก็ไล่เข้าป่าเขามอเส้นน้ำหนักแน่ตรงนี้ ทั้งหลายบรรดาชาวที่หมดแล้วอยู่ตามมดุมดมูลร่มไม้ชายป่ากแกเขาเป็นที่สงบสบายในการบำเพ็ญชรนาญธรรมนะไหนบอกให้ไปยุ่งไปอย่วุ่นวายหาขลังอย่าันหาขลังอย่างนี้นนนไม่เห็นว่าหาขันหากเกางที่ไม่ขันพลอกปอกเปิดนะดีไม่ดีก็เป็นหมาขี่เลื่อนหมาที่เลื่อนกับพักขี้เลื่อนันผิดกันังไงเรื่องขี้เลื่อนเอามามันก็เป็นหมา ล่อนแก่นหมาแก่นล่อนผ้าแก่นล่อนอปไรอย่างนี้เรารพูดสิ่งสาคัญไม่สนใจไปสนใจน่องๆ น, นานๆ น, นู้นนั่นผิดกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดกับหลักธรรมอะไรนจะหาผลินพนมาทีานี้ที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นลโลกมีอยู่หาสิเด็ดมันก็ได้สิเดดบื่อข้างานเพื่อ จะ ถ, ถอนกิเดสนั่นกลรมมาสั่งผลกิเดสนะั่นยังยิงในตัวอยูวาา่ว่ามารนคกิเลสยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างไยพองเฉยตัวเท่าอื่นอ่างพองแข่งวัวทั้งตัวมนันได้เลยเราตรงนี้กินตรงนัง้นกินตัวนี้ เอาคารุนสัตย์ตัวหลวงพ่อว่าปฏิบัติด้วยความมีสติแตกต่าเร่งมาตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความสัตย์สิทธิจะไปสร้างที่ไหนผิดหลักทําหลักวินัยจะไม่เห็นความสัตย์สิทธิอันแค่จริงประจากใจถ้าไม่สร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างที่ตรงนี้ฝุดคนตรงนี้ตามภัยที่มันมีอย่านจิตใจนี่นะครับเพาะภัยเสมดไปหมดไปวิเศษตัวเรื่องเหเป็นไรหมดไปหมดไปที่ก็มีความสง่าผ่าพผขึ้นมา สว่างกระจา่างแจ้งขึ้นมาที่เหลือหมดไปแล้วจ้าตอนนั้นจริงเราจะหาคําที่เสศษมากันไหนจริงอยูไหก็พิเสศจอยู่แล้ ว, ลลวถ้าจะว่าพิเศษแต่ท่านก็ไม่เศษคานไปอีกเหมือนกานที่เกี่ยวเศษกันเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นฝั่งพอที่เหลืออยากพูดนั่นกลับคุยนี่ให้คนนั่นฟังให้คนนี้ฟังให้เขาเรียนนับถือบ้างอะไรอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทําพอดีไม่ใช่ทําเพียงพอ ถ้ามันพอแล้วมันไม่อยากคนจะพูดหนักเบามากน้อยจะพูดใสเสียไม่นควรพูดเขาอยู่ได้อย่างสมาอืยเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจถ้าจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเชิงม้างหรื อ, อรตามโลกมันมีคนมายาพเพราะเครียดบังคับหัวใจให้เป็นเราก็ไม่เป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่พาให้เป็นเราไม่เป็นเด็ดตอ่อเราก็ต่อไม่ต่อเขาใส่เสีย<ๆ>เขาก็ดิ้นของเขาตั้งหากเราไม่ได้ดิ้น เรื่องของโลกเอาเนี่ยเอาเนีน่ยเราทำมันได้ที่ไหนถ้อยเราทำใจของเราแน่แ น, แน่กับหลักอับธรรมจะเป็นสุขส่งเสริมเจ้าของย่อกย่องเจ้าของนุภาพปฏิบัติส่งเสริมเจ้าของด้วยสักกิจบรรดาศักดิ์ความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจไม่มีสิ่งใดแล้วในโลกนี้จะมีคุณค่าพระเสด็จยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริง ใจมีธรรมธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็ในใจอันกลมคืนเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วนั่นล่ะความเลิออ่อนขนตรงนั้นไม่เลื่อนขตรงนั้นการประกอบความภาคเปลี่ยนก็ต้องมีความสำบากย่บวนเป็นธรรมดาเน้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าเองเพงเป็นเจ้าของศาสนาเอง ทรงสลบถึงสามหม่อฟังนี่ตาพระองค์ไม่โทะองคบากนี่ก็พวกเราลบาบากก็เป็นอย่างพอที่จะาําหนึงพระองค์ว่าวรรณะเปรียบบรรดาตัดโลกพระอง์บำเพ็ญคู่ เ, เยอะเสมอแต่โลกสงสารบำเพ็ญแทบตายก็ไม่ได้เดือแต่นี้พระองค์สลบถึงสามหมนทุกข์ก็ไม่ทุกข์สามวั 8, มนวงตาพับแตพระองค์ตาแตกฮะมีเ้นพระจักรพรรดิ์พระโสนะ พระศุลนะเร่งความเพียรประกอบความเพียรมากเป็นศาสท่าแตกถ้าจะกูบาลอดนอนไม่นอนสามเดือนตาแตกพอตาแตกภาพที่เด็มก็แตกจากใจกันถี่พร้อมกันอืพอตานอกเมือ่อตาไม่สว่างช้าขึ้นตาไหนที่จะสว่างกว่าตาไหนนะพระศุลนั้นประกอบความเพียรศาสท่าแตกพอไดรัก รู้มีพระอินทร์ที่มาแสดงพินณสามสายให้ดีให้ดูย้อนยานนักดีก็มีเสียงดังเครื่องนักก็ขาดเพราะเครื่องสายพินพอดีดังไปเลาะพ่อพืน้นเป็นเครื่องข้ามสอนพระสุนทรท่งางก็ยิดนั้นมาเป็นแบบจำเนินตามัดขึ้นมาสติสตา บรรลุธรรมอ่างนตาท่าแตกหลังจากนั้นก็ที่เลกะก็แตกเรามันมันเรื่อยๆที่ท้องแตกน่หมอนแตกหนึ่งที่เละก็แตกหนขวงขวางต่างมีปัญญายใช้ปัญญายาวยู่ที่เคยหาวบาว คกายเป็นแบบคิดปัญญามื่อเรานำมาคิดมาคนมาใชาบะบะบะ้บ่อยๆมันจะค่อยเจรินขึ้นเจริญขึ้นจะค่อยทํงงานี้ทานั้นต่อไปค่อยหมุนมหมุนมาหมุนไปเรยได้เหตุด้วยผลเพราะปัญป ญ, ญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดึงเป็นสินะ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านใจตองแล้วข้าพิเลษจะเป็นบรนตอนพิเลษตายกินตาเยเพาะปั ญ, ญามนะถ้สมาคิดเป็นเคียงว่าตาล่ำของพิเลษเข้ามารวมกันนะั้นบอเวลาจะฆ่ามี อำนาจของปัญญาเท่านั้นปัญญาเป็นสาคัญมีไม่นอะไรสําคัญยกว่าสติกปัญญาถ้่าที่บังคืนมาเป็นสติกําลังความสามารถเจ้าของมีสติปัญญาเป็น ส, คนนสคาคัญมากก็ถึงที่ติดตันอันตุจริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะใชยไปจนได้อืม เจตรงนั้นเจตรงนี้ใช้ตรงน้น้ตรไน้อกใบทะลุไปได้เลยปัญญาขอ ใ, ให้จินต์ให้จหมนเพียรเป็นแบบะบับทั้งตัวที่เหลัตัวคนขออยันหมั่นเพียนคนณมีสติมีปัญญามีความเพียรเรือนกลัวอารมณ์มีบอลทั้งหลายไม่เข้ามารุ่งอยู่ย่งไป แไม่ทำมากอกควรเพราจิตไม่เปิดเท่องให้คิดความคิดใดที่เป็นไปเพราะความสั่งสมกิเลสเป็นไปเพราะสั่งสมอารมณ์ให้กอกควรตัวเองให้ปุจจ้างวันนั้นความคิดนั้นเป็นไถ่ให้หยุดทันทีเหมือนเราไฟมาขี้ดึงที่ครั้งเีหนึ่งมันเจ็บขนาดนั้นขี้ครั้งที่สองซ้ําแล้วซ้ำเล่ามันก็เปิดไปพองไปได้ีกิเลสมันขี้เข้าไปเรื่อย มันยังพอใจกับความขี้ยิ้มยิ้เด็ดพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปเองมันก็เหมือนกับพี่ตัวเรียนเลือไฟที่ยิเด็ดมันก็เผาเรื่อยร้อนนะสติปัญญาที่เป็นเหมือนกนำลังดับไฟมันอยู่แล้วไม่นำมาพากฝืนกันใช่จะเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้ mm hmm. มันดักที่นี้เราไม่อยากให้มันคิดมันอยากเท่าไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักเอาตายก็าตาย เราเคยคิดมาแล้วมันเกิดเป็นอะไรสิ่งนี้แล้วยังสับสนคิดไปอยู่หรือว่าทราบวาทราบทั้งทั้งที่ทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยไถ่ยเยื่องนั้นนันก็ฟาดมันมานย่างหนัผิดมันไปอยู่หมัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อบท่าต่อบสู้นมาแล้วมันหมอกนี่เคยเลยพูดถึงเรื่องว่าปัญญาลูกจะมาถึงนั่นเต็มขึ้นมาเลย คิดเป็นในนั้นนั้นไม่อยากจะลงมันคิดไปเลยหลังๆที่เรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเพลินแต่เพราะมันเคยเพลินกับเรื่องที่เด็กมาแล้วมันคล้อยตามที่เด็กมันเชื่อทีเด็มานาทนที้มันไม่ยอมเชื่อธรรมนี่ก็บังคับให้มันเชื่อธรรมเรื่องการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นแล้วมันเห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาอะจะไปไหนตามไปแล้ตามค้นค้นเรื่องสู้เนี้ยต้องเข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงๆ สงบราบเลยเห็นผลแะ้อ๋อราบิตมันเดิอนี้ต้องตีต้อนด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานี่อาจฐาน ม, มากได้ฟ้องทั้งเหตุทั้งผลได้ฟ้องทั้งความอัตจักรของจุดที่หมกเข่ายอมจำนนต่อปัญญาเนี่ยแล้วกมันกยิ่งได้นันงถือคาว่านังสือท ว, ว่าปัญญาโดยสมที่ขึ้นมาอทั้งหลายันเสียนว่าสมาธิอบรมปัญญา ถ้เรา ม, มันกลับไปเต็นปัญญาโลมธรรมที่การปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้มันรู้มันเห็นด้วยเหตุ น, นั้นเหตุ น, นั้นก็ต้องเลียนม า, านตามสายเหตุทิมเปิดออ ก, ออกเยาะคนกังงลปัญญาลงธรรมที่เฉพาะอย่างนี้มหาพุท ธ, ธาเป็นเจ้าคุณว่ากรณอะไรอยู่ที่เหนี่ยววัดทองหนีบเนี่ยท่นาน เ, น, นเล่าให้กลับเองวัด ท, ที่วัดบานที่กลางวัดเหลืองาที่ึกา กันกับโรงพยาบาลโรคปอดท่าท่านได้มาจากไหนไม่รู้งูนี่เด็กนักศึกษามหาบัวแต่กว่าปัญญาลงสมาธิเอไหนไหนไหมหาบัวมเจ๋งกวอกูเลยเไปใหเจ้าสมาธิอบรมปัญญาเสด็ที่หนึ่งสมาธิอบรมยาทำไมมหาบัวมเจ๋งกวอูวะไหนนี่ยมาดูหน่อยพ่อสาวุทากับเราสนิทกันเคยเป็นกรเทพแล้วไหนมาดูหน่อยที่ทำไมมันเจงกวอูนักมหาบัวนี่วะพรรษาก็เท้ากั เขมาดูเอ๊ะเท่าคนเท่าคนเลยนั่งอ่านอยู่ขนาดเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีเข้าทีเอ้าเข้าทีเข้าทีย้อนรนะับนีท่านนะัทนัสารภาพ อ, นะอื่นนะพอผมเคยข้ามธมาหายนะพระอาหมาไหนๆผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนผมไหนๆมาบวมจะเก่งหลวงพูได้หรือพุท่เจ้า ง, งเราเป็นถูได้ไหมมาบวมจะเก่งถูกวะไหนมาดูมาดู เอามาพออ่านเอ็ดชอบคนเอ๊ะชอบคนชอบคนลงไปฟ้าทตลอด อ, อ, อ๋อเข้าทียอมและคือในหลักอันนั้นท่านพูดถึงภาพทั่วทั่วไปแต่รายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีสึ่นท่านพูดเป็นสมาธิปริทัยจาที่รบปริทัย ทิ่ฐาปัีรปฏิภาวิตโตสมาธิมหาพละโหติมหาไม่สรงโซสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาพละโหติมหาไม่สรงสร้างอ๋อที่เราไปาโตสมาธิมหาพลโหติมหาไม่ส้งโซสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาไม่สร้างส้าปัญาปฏิภาวิตังติตตังสมาเดวว่าอาจจหิมุอจะติสมาธิเมื่อสินอารมณแล้วยังมีผลมากในทั้งมาก ปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วจะมีผลมาก ม, มายสมมากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วจะอหลุดพ้นจากที่เดืดทั้งปมโดยชอบแปลตามตับท่านพูดเป็นลำดัแบลำดัแบศบีลแอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยจิตถึงปัญญาตจิตถึงห ล, ลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทีมันเทิกกันปัญญาลมสมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาลมต bon รงนี้เราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะอบ จะปัญญาจะอยู่สมาธิตลอดไปไป็นบางการหยุดเวลาจิตมาคึกคลาลื้อด้านนั้นลนะเอานั่นนรรมาติมันได้ผลดีแต่ต้องเอาปอัย่าจริงจังนะเจาะเลยเหมือมวนเผลไม่ได้แล้วตอกเวทีถ้าอย่างนั้นแล้วลที่เดียวตอกเวทีผิดเหมาะ <c oughs> มเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวนี่ย ถึงการทุกควรจะนำปัญญามาตรีต้อนจิตใจทีจ่มันพุ้งซ่านถ้ามันยอมจานนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทําจะควรจะอบรมให้เป็นจิตให้ป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดไว้ตรงกลางก็ทำเราทำเพื่อให้หาผลเพื่อทำทาเพื่อประโยชน์อันใดก็ได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใด เรานาวิธีการนั้นมาใช้ในเวลานั้ น, นจนที่าเหมาะสมอุณผู้นิยมสนีเราทางานจิงเรากล้าติดทำงานนาอยู่สานาน ม, มาธิทางานได้คนติดทาน่ า, านปัญญาไปเราเหมนทาน่านปัญญานี่ก็เป็นธรรมจักรไปเลยับ การพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกัเรื่องรูปขันนี้รุนแรงผาดผลมากเหมือนกำนั่งโจรใน จ, นจกักรภูเขาเสียงร่งางท่าวาเทียนะ่ยงเพราะเรื่องขาาขันเป็นเรื่องอยากรูปขันมันยากปัญญ า, ากแกเรื่งรูปขันมันก็รุนแรงผาดผลมากเลยพอไปถึงนามขันไม่เกิพวกเวกนาปัญญาทังขนีย่งนะมันก็ค่อยเบาเบา มือนกำลังนซับน้ำพิแต่ไม่หยุดนะเมันกำลังซัน้ำพึงที่หลายงมีทั้ทงแรงทั้งฝไม่มากแต่ไม่ขาดมากขาดตอนปัญญาขั้นนี้ก็เป็นละเอียดละอ่อนละเอียดที่ละเอียดทีดละเอียดปัญญาเขาทั้งละเอียดเหมือนกับไม้ที่เขา้าถือความละเอียดแล้วต้องเอาสอายกบเราจะเอาขวานมาถาก ม, มาฟันพุพวๆไม่ได้เวลามันหยากจะเอากบไปสาไมาา้พุ้วๆไม่า ต้องขวานถากจนถึงขั้นที่ควรจะใส่กบหรือถึงไส่การพิจารณารูปคือกายร่างกายขวาน ท, ที่เยื่อยือแยกกันออกได้เห็นกระจ่งางก็ต้องใช้ปัญญาแบบขวานถากไม้เองเอาคนอย่างหนักอย่างาผ่าผุตึงจริงพอเข้าไปขัน้นพิจารณาปัญญาเร่องกายวิญญาณที่มีแต่นามาธรรมนุนแล้วมันก็ละเอียดเหมือนก็เอากบ สาไมา้จะไม่ได้สายไม้ทั้งต้นจรงเหมือนกับกบสายไมเ้เป็นแผนเป็นแผ่ที่ตกออกมาจากเลื่อยจากขวานแล้วหลังยืนก็หสอนนี้คือสติปัญญาทางลมาสซึ่งมาจากสติปัญญาที่ร่มรู้รู้การฝึที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ทําให้อิ่หนาละอาใจจะเป็นไปไม่ได้สำนึก อำนาจศาสนาสอขของออน้อยไม่ไหวอำนาจศาสนาน้อยไม่ศาสนาอะไนะเป็นเรื่องของกิเลสกลอมคนทั้งนั้นเราไม่สราน้อยก็ทาให้มันหนักสิหนักถ้าเป็นนักครคนักต่อสู้เพื่อมาผ่ผ่า น, พานเพื่อเอาของเกศกิจมาเป็นสมบัติครองในตัวองจริงๆอา้าวอะไรบกพร่องเวลานี้เรามาฟ้องแจ่มสงที่บกพร่องอันเพื่อความสมบูรณ์ศาสนาอยู่ที่ตรงไหนเวลาอยู่ว่าอยู่เฉยๆทาไม แล้วคลอยตามที่เด็กทํามไม่ว่าศาสนาน้อยล่ะนะฟาดลงไปฟาดกันลงไปไมได้ความมัเป็นธรรมชาติปัญญาเราไม่เคยคาดยคิดว่ามันจะตื่นไปไดขึ้นเศรษฐปัญญาเปนอ ม, มตะถ้าเป็นขั้งบูตการท่านจะว่ามหาเศรษฐ ди. มหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องได้บางคบางาับบังคานอกจากร่างเราไว้เท่านั้น พราะจะเลยเถิดนี่เป็นอุทธะจ่าเปนอุทธ่าในสารืุทธเบื้องบนเป็นอุทธะจ่าอุทธาจา่าแต่ก่อนเราไม่เข้าใจทัสารยุทธเบื้องบนคืออะไรการมาลารูปารคะอรุปราคะาาามานะอุทกะอวิชชาสารยุท ธ, ทธเบื้องบนเราไม่เข้าใจรูปารคะอรุปราคะรูปร า, า ร, ปราคะที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงรูปกายแล้วนนะในเราพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่ง คือการมันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพของกายนี้ไปอยภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพระดับเราคอยไปอยู่ที่จิตตั้งขึ้นมาภับดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบชัดว่าจิตนี้เป็นผู้ประตรงเป็นผู้ปรุงออกเป็นภาพแล้วก็เข้ามาหมดในจิตเข้ามามในจิตจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วภาพภายในที่แบบรู ป, ปราคะาความยินดีพอใจไม่ได้เหมือนว่าอราคะแบบ การม่เหตุทั้งหลายนะรูปราคะอันนี้น่ะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์อ น, นั้นเท่านั้นเองเป็นธรรมส่วนละเอียดแต่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกแยกให้เหดี่ยวกันทั้งกต่เลยว่ารูปราคะเพื่อมีความพอใจติดใจอยู่ในรูปภาพ น, นี่ภายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี่มันสลบะบพอสลับมันแล้วเพราะความรู้แจ้งเลยปัญญาแล้วมันกน็นํำอรูปภาพ น, นี้เข้าไปอนภายในจิต ปรุงหานจิพอปรุงมืพักแล้วมันก็คืนก็มาคืนขึ้นมาเข้ามาถึงใจมาดับกันที่นี่ปรุงพักก็เข้ามาดับที่นี่มันก็สร้างบไปชัดว่าจิตเป็นผู้ผรงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้และต่อไปอุปราคะอีนั้งหมดอรูปราค า, า, า, ค, าคือยินดีในะสุขเวทนมามีตามหลักปฏิบัติสุขเวทนาอันละเอียดอ ย, อยู่ภาในจะิตนะอรูปอุปราคะ มานะือความถือจิตดวงนั้นแหะดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันท่าห ง, งุดหงิดทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็ทาาอะไรก็ภ่าเต็มทุกจากกันไปแล้วเป็นคนละทิศละทางมีแตจิตดวงที่ฟองใสเลยมีเท่านั้นมานะถือจิตตรงนั้นนี่แหาะสำหรับมานะเ้ามันเข้าใจในท่าปฏิบตัติมันถึงได้ชัดเลยเข้าใจรังเก่าปฏิบตัติหาโปร่งใสไม่นด้มานะ คือจิตเม่มันเป็นดวงนะคับมีความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ทําให้เกิดความอ้อยอิงเกิดความติดความพันความโผล่พอใจนี่เราเที่ยว่าวมานะความพอใจนั้นเป็นๆอย่าถืออย่างนั้นนะครับพบเพื่อนสูงนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตผู้นั้นผู้นี้ก็คิดอยากจะเอาหนีเคียดเสียงองค์นั้นจะเสมอเราหรือตังกว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเรดวงนี้ยานะ ถ้าสมมุติว่าจิตต่ํากว่าร่อมันก็เข้าใจว่าต่ํากว่าหรือหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าขเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างถ้าจิตดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้าเสมอเขาบ้างหรือยิ่งกว่าเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมานาคา้ากอคือความถือความรู้นี่เองนี่หละตัววิชาแท้อ่าเราไม่รู้ ปวงา้ามันก็จะติดเด้พันกันนั่นสนิทสนมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่แหละกล่อมนางนอนเขาว่านางบังเงาแล้วว่าภาพอาวิชาวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาววาดภาพถึงยักเป็นผีมาอาวิชชาเป็นอย่างนั้นนั่นเหรอเวลาเขา้าถึงตัวอวิชช า, าจริงๆโอ้หถูกกล่อมให้หลับสนิทแม่จับ มหาสีมหาบัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวก็เลยกลายเป็นโอภาจะรักษาจิตดวงนี้ก็เลยทำคือจิตดวงอวิชชาหือเมื่อหรือตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแ่ะละเอียดขนาดนั้นอวิชชาจริงๆละเอียดขนาดนั้นตั้งแต่มันแสดงมาอย่างยำหยาบเรายังหลงบริษัทบริวารของอวิชชาแสดงมาเช่นความโลภช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะมันยำหยาบโกรธก็เห็นมี้งแล้วตาดำตาแดงมันก็ยังพอใจโกรธมรียมอยู่หนี่ เรื่องของกิเลสแล้วจิดเพิมไปทำไมแหละขึ้นชั่ววันเรื่องของกิเลสแล้วจิดเพิมนาเพราะเคยเชื่อมันม า, มาไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตัวเลยโกรธให้เขาตาดำตาแดงถึงเครียดจนแฉ่งจ น, นกระพ้าเขาได้แต่นี่นมัาเป็นของดีนะคือความเชื่อี่เลสมันเองให้พอถึงแบบนี้ยาแบบนี้มันหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปแล้วที่นี่เข้าถึงตัวละเอียดตัววิชาแพ้และทิ้ง ตัวกสัตย์แต่แค้ล่ะอออัตติมหาอัตติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติหรือมหาอัตติมหาปัญญายังต้องหลงกลทข้งมันเกิดได้นั่งไปรักษาจิตตรงนี้อยู่นี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมังก็สลับปุ๊บสลับปู้๊บด้วยอัตติปัญญาไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องเลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สุกตัวนั่นน่ะคือรักษาวิชาวิชามีเนือมหาอัตติมหาปัญญาอยู่แล้วเนื้อเป็นอย่างนั้นเนี่ยวิชามีเนื้อมีเล่ห์เหลี่ยงความฉลาดแหลมคมในเนื้อจิตในเนื้ตปัญญา อยู่ในขณะนั้นพระคินปั ญ, ญาแม้จะเป็นขั้นมาเป็นสิงห์ปัลญากะตายังอวิชชาอย่างหนึ่งคจึงต้องติดจึงต้องหลงกลอวิชชาเดี๋ยวมานะที่คำว่าอุทัจฉานี่หมายถึงการโค้นการที่ไม่พิจาณาฟุ้งจิตเทินต่อการพิจารณาไม่หยิดไม่ถอยล้างเอาไว้ไม่ล้างเอาไว้ไม่น่าแต่ของก็จะตายเหนื่อยก็นเหน่อยเครียะก็เคียะแต่จิตไม่ยอมถอยนี่จะจะเอาชนะข้ า, า, าเดียว ถึงขันนี้แล้วคาว่าแพร่ไม่มีแพร่ให้ใครมีจะให้รู้แต่นั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคําว่าแพ้่มีไม่ได้นู่นนี่เราทำให้ผิดมันฟุ้งมันเถินในการไปงานมันจะฟุ้งซ่านลังคาไปกลางโลกตามมือสารดูเสียงดูเสียงไปลดเงินขาดไม่ ม, ม, มีอย่างนั้นไม่มีมันเถินในงานของตัวเองที่จะแก่ที่เลืเอนเถินเินเกินเมื่อเกิ น, ก น, ก น, ก น, กนตัวจึงอยากเป็นสันลวดอันหนึ่งแล้วจาก อวิชชานัาน่นอวิชชาคำนี้อวิชชาก็คือตัวนั้นแหละมานะมันถือตัวนั้นตัวแผงของใสๆตัววิเศษวิสโสจริงเข้าใจว่าวิเศษวิสโสตัวสงาา่าผ่าเผยมานะมันถือตรงนั้ น, นอนนืนั่นแหละคืออวิชชาหลงตัวเองนั่นเองจิเป็นยามันพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้ว เพามันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายเขีนมันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นจริงเดียวมันรู้จริงมันปล่อยจริงๆรนะพิจารณาลูกเสียนเป็นเรืเครื่องใช้ใหมมันไม่เอาพิจารณาลูปนี้ก็ไม่เอาเวทนาทรรมญาติขันญาณมันก็ไม่เอาเพราะม่เข้าใจหมดแล้วแต่มันไปต่ิตใจอยู่ในความสว่างกจ่างแจ้งในจิตพองใสเหนื่อยห่ยมันหลงอวิชาที่เมื่อพิจารณาไปนานเท่านั้นเข้าเรื่องอวิชชาต้ก็เป็นเรื่องสมมตินี่ มันจะทนต่อการแสดงความต่อต่ออาการของอาการอะไรอย่างเงี้มันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้จับให้รู้ได้เติมได้ลงถึงขั้นสัมมาวิสิมาปัญญาแล้วเมื่อรักษาอนแต่นานแต่นานแต่ที่นานั้นก็ไม่ใช่เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายระมัดระวอย่างเงี้ยเรื่องว่าอวิชชาจะถงใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามพันของจิต อันเอียดตามขั้นของวาละเอียดนั้นแฝงขึ้นมาจะได้พอจะจับไปดูกันได้จจไดเอ๊ะถ้ามันจริงๆทำมันเป็นลักษณะเฉาเฉาแ้าทำไมเป็นลักษณะเหมือนทุกคือทุกกระทุกละเอียดทุกขั้นนี้ทุกละเอียดจับภาพได้เฉพาะมหาวิทยาลัยวัญญาณเท่านั้นท่านที่ปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เด็กมื่อมันจับได้นี่ทําไมมันเดี๋ยวว่าทุกแล้วเดี๋ยวว่าทุกแล้วเดี๋ยวว่าผองสายเดี๋ยวว่าสมองคือเส้าหมองเสมองตามขั้นของวิชาเองไม่ใช่เส้ามองอย่างจิตธรรมดาเรา แต่พระมหาเศมามัญญามันรู้ทันมันก็จับจุดนั่นเข้าไปว่าเอ๊มีสมัยเท่าเป็นจิ่งที่แน่นอนแต่ได้แล้วทําไมมันถึนงแสดงอาการกาแฝงแฝงนี้มานะะลังจากจิต ก, ก็เกิดความสนใจที่นี้ถ้าจิตปัญญาเกิดความสนใจต่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสถาวัฒธรรมทั้งหลายอันนี้มันอะไร น, นั่นที่เนี้ยนั่นเป็นเป้าหมายของการพิจารณาเลนเพราะเ พ, อพอราะจิตมันต่อเข้ามา ย้นความตั้งใจเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณาเข้าไปเหมือนกับสภ า, าวะตามตัวไปหน้าหน่อยที่นี่มันจะทนได้หรืนี่มันอะไรกันนี่หมือดพิจารณาแล้วก็ฟังเจ้ามหาวิชาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุปไปเลยมหาวิชาจะทนได้หไม่เมื่อตั้งแต่พิจารณากันนอกจากรักษาอันนี้เฉยแล้วเจาเข้ามาตรงนั้นก็พันกระจายไปหมดเลยเพราะวิชามัน สลาย่ไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าของใส่นั้ น, น, นละตัววิช า, า้ะแืมันมันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวนี้นะอ่ามันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงามจาโกนอ่าทำอ้อยให้อ้อยอิ่มผิดพันพอนั้นสลายลงไปแล้วอันที่พิเศษ โดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้อันนี้เหมือนกับกองขี้ควายอวิชชาที่ว่าดีๆีิเศษพิเศษนี่เมื่อเที่ยวแล้วมันก็เหมือนกองขี้ควายโอ้โหกองขี้ควายนี่มาทับธรรมชาติพิเศษแล้วไว้นี่พออันนั้นสลายไปปุ๊บอันนี้ไม่ทชามีตั้งแต่เมื่อไหรนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าแผ่นดินจ ร, รู้ก็ดีสาวกท่านบรรลุกธรรมดีทำรวงธรรมชาติของจิตล้วนแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวพันเลยอืม เข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้เดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะจะพูดถึงแต่ว่าเป็นจิตล้วนๆแล้ ว, วนะนั่นแหละนี้อาจจรรย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันไม่ได้นี่แหละที่ทพระพุทธเจ้าตรง พ่อาพระไทยแล้วเห็ิตงตัวเองก็เห็นตรงนี้โอ้ลงขนาดละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้อย่ังไง<ม>สอนให้ใครรู้ไม่ได้ลงขนาดนี้แล้ว<ม>เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ส่งพ่อาพระไทยทำารองของงึ้นฝอยน้อยท่างช่างจิตศาสนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนจัดโลกดินแล้ว แต่เมื่อเข้าถึงธรร ม, มชาติทีรร่อาจาเกินคาดเกินหมายเกินสมมุตินิยมทั้งหายทั้งสิ้นอยู่แล้วทำให้เกิดท่อผัสไทยเพราะในขณะนั้นไปเจนมาโดยจะเกาะยังไม่ได้พิจารณากว้างของออกไปแต่ก็ไม่นานฟังจากพระพุทธเจ้าใครที่ตลาดอย่าผมาก่อนพระองค์อนนั้นมาก็เหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้อืนก็คงไม่ผิดกันเลยนะอ่าถ้าว่า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 สถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้ืีทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาเครื่องดาเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อสั่งสอนวิธีการให้สัตวโลกทาพแล้วทํไมาจะรู้ไม่ล่ะอ๋อเหมือนอย่างนั้นนะอ๋อออรู้ได้รู้ได้ไดแล้วก็มีแก่ท่ไทยที่จะสั่งสอนสต์โลก แล้ก็เป็นท่านได้ทถ้ากนทาวท้ามหาพมมาลาธนาผมมาจ า, า, มม า, าโอกานี้่ปีกี่สามปีในเบื้องต้นขึ้นเป็นมงงสมัยฐานงค์ก่อนคือพอมีอพระทยที่จะสั่งสอนสั่นโลกด้วยเหตุผลในทีก่กล่าวมาเนี้ย อ, อ๋ อ, อ, อ, อโลกเข้าใจแล้วนี่ทรงพระเมตตาเริ่มในพระทาัยที่จะสั่งสอนสัโลกก็พอดีท้าวมหาพรหมเป็นมหาพรหมาจาโลกาสั่งสอนสั่นโลก สรงเรียนญาดูใคจะรู้ที่เหนจริงในี่ยทำตอนนี้ได้ง่ายเรีนไปถึงดาวบดทั้งสองอุรกาดาวบดดาวบดทั้งสองานูไลองในตําลาก็มีแต่ผมลืมแล้วแหละก็โอ้โหเสีายตายเสียละมื่อวานนี่หมดตายเลยหมดหวังเลยฝัตายเลยหมดหวังพวกเราเไม่หมดหวังมันยิ่งหวัง พอตายแล้วก็กุศลาทำมากุศลาทำมานี่หอป็นขึ้นสวรรค์มิตรังพรพุทธเจ้าพอตายอ้คหหลังก็เริยามย้อนหลังอลยรรมมก็หมดถึงบรรดาักดที้ง้าอวกนจะรู้ได้เลยผมแสดกตรงแน่มาผมก็เป็นดาวที่ทังห้าแสดงเขามจัตับลอตนาจิเป็นพระอเมนากุณะได้ดวงตาของธรรม อณะ น, น, น, นี้นนนเ่ตบบคคนั้นขณะเพ่ตบคนั้น อ, อาปนโทคนั้นะพื่อชังวิจาลังทํามะจพุ่งอุตตรายดิยันจิจงจิตก็มีได้ที่ธรรมังตดังนด้วยาธรรมะขณะนั้นทางองยาคนนี้ได้ถึทางขึ้นแล้วด้วยความนจจเกิดธรรมะจากักขึ้นเพื่ อ, อทําวิําลังธรรมะจะพุ่งอุตตา มันก็ผูุ้กอันตรายจากความมืดบางตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนนั่นแหะเนะื่องจากความมืดบังนั้นมันกระเจาขึ้นแล้วเป็นอันตรายมากยังมีสิ่งใดทำบังสำนั่งให้โลกทำบังทิ้งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจทิง้งไดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงใจทิง่งได้ก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นคู่ขันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลย นั่นแต่นั้นมันก็แสดงอนัตตละกันัาสุกล้องปนิสัยจะมาทาถึางบรรลุทางนี่คือสักปิบยานขอ ง, งพระพุทธเจ้าและพระโอรสเองก็ได้ทรงเป็นมุทานในวารสิดท้ายอตอนที่ทรงจากอนั่นไปเท ว, วางังเด ว, วานุภาวังอัตโกน้อัต โ, โ, โพกพักวา อุดานังอุดานเมสิพระองค์ได้ทรงเป็นบุทานขึ้นแล้นขณะนั้นอัญญาเคลื่ตะโพคนมั้นโน้นเคล่อตะโพคนนั้นโน้นว่าพนยาอัได้รู้แล้วหน่อยรู้น้อยมิีิทิรัอัญโยคนนั้นะสัต์อนาคนนยวัตตุวัตนาโมโหเพ่อจิตโดยอาศัยเหตุนี้พระอัญญาอัญญจึงได้ชื่ออย่างนั้นมาแต่ ธรรมะจักสภูรณาจิตแต่นั่นก็บแสดงธรรมะจักแสดงอนัตตาลภณะจิรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาสังขาราอันกังทุกขังอนัตตาเลยไปแต่สาหรับถุนนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดขัดดีนะผมพูดงงงงเลยผมยอมนับร้อยเต็มอยางหาที่ฆ่าไม่ได้หรอกคืออนิตขละปฏิจะอนิกขาอิยายสุ ถึงมโนทุนิยมปนาติทำเมธุปีนีญาติมโนวิญญาณเมุปีนิมโนสั้งปัจเจกปีนีญาติยำบียาังภาษามโนยำบีลังอจาต่างยาวปฏิญาณการสุขข้างว่ดข้างมาสุขข้างมาตั้นิยมปีนีญาตินิบดังนีรัตติกิริยารถามีรัตติมีมมีมีญาณหโหติเบื่อน่ายในธรรมเบื่อหน่นยในในธรรมเบื่อน่าในจิตเบือนในธรรมลมที่กำมาเกี่ยวข้องกับจเบื่อน่ายในความรู้สึก วิญญาณที่เกี่ยวขอ้องกับจิตเบื้องหน้านี่ยเวทานาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากอนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี่เบื้องหน้าตรงตัดนี่เป็นเบื้องหน้าเชื่ทั้งหมดบรรดาที่เกี่ยวข้องกันนี้นี่บินดางวิราตสติเมือนน่อเบื้องหน้าแล้ย่อมคากำหนัดเมื่อคากำหนัดจิตย่อมดุจผลอันนี้แหนเราซึ่งเพราะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นเพื่อนอนาคตก็นะสุดนี้พอถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาตังฐานวิญญาณวิญญาณนี่เป็นเบื้องหนติดนะนี่บินดังวิราชติ นี่ผมเหมือนกับว่าหนึ่งเราพูดตามความรูม้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราประค้านในสิ่งที่ไม่ค้านอราไม่ค้านท้งภาคปฏิบัติอันนี้สตร์วิยาย่อมถูกเราหาที่ค้านไม่ได้แล้วยอมคำนวณน้อยกว่าเด็กแต่ส่วนน้ำตากว่าสูญนี้มีข้อยขัดกันเราจึงเลี่ยงงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงกันเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้เรื่องเจต่อาจารย์ท่าน อ, อาจจะมาทำอเบแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่ผู้ใจจ้าคงแสดงแก่ เป็นจังะคิดละห่านนั้นผมแน่ใจว่าถึงมาลาสันนิษฐานปีนิมิตสีเหมือนกันลูกไปสันาานิษฐันขัญาณแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปถึงไหนจิตมันอวิชชาไปรวมอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ขันห่านาปเวลาเราปฏิบัติลูกไปสันนิษานสันขัญาณรู้เท่าแล้วนี่บางที่ผมอธิบายตะกีนี่นะรู้เท่าแล้วมันรวมก็ไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชชาน่ะอวิชชาครอบจิตนั้นถ้ามันเข้าอย่างเข้าถึงแล้วอวิชชาจะแตกแอ่ไม่ได้นี่ที่มันค้านกันมันต้องมาสันนิ่ฐปีนโน่นนั่นอย่าง เก่รู้เท่ากันห้าแล้วก็เบื่อหน่ายคากรรมะลามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่ากันห้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถือจิตกับวิชาที่มันพัวพันมันมันเป็นอันนึ่เดียวอย่างนั้นคุณต้องไปพิจารณานั้นอยู่ดีตีอวิชานั้นแตกกระจายออกจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนี่หายสงสัยนะอย่างนั้นนี่ละภาพปฏิมาที่ไหนที่ควรค้านมันค้านในอย่างจังจังด้วยความแน่ใจที่นั้นมันรวมกันได้รวมได้ อย่างที่ว่าอะไรอศีลพระตับพละมาร์พระโสดาล้านั้นนี่เราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเท่กันที่เรียงอารยภูมิต้นไหนที่มันแยกมันแยกกับทางใบแยิมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมารวมมันก็ร่วมกันนี่เราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงอาค้านกับค้านกันถึงจะแยกกันแยกกันไป เมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติโดยของรู้กองเห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาแบบนี้อย่างนี้้ะถูกรู้ผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติด้วยปฏิบัติอย่างนี้และลูกเห็นมาอย่างนี้นี่มันจะปีกแยกกันก็ปีกอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมกันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัตินี่เราก็คอใจเราแน่ใจของเราเปินระดบนึงเมื่อรักก้าถึงขั้นสูงแล้วมันก็ไม่เห็นแยกกันนีะพูดเรื่องอะไรกันเลยไปใหญ่นี้นะ เอาละท่นนี้ต้องความจรจไม่ได้จริงไม่ทราบขึ้นต้นลงปลายที่ไหนอาธรรมยาจะอธิบายหมู่บ้านไปไว่า